ยี่สิบ8ปดในโรงแรมการร้องเรียนทฝักบัวใช้งานไม่ได้ไม่ไม่มีน้ำอุ่น คุณมาซ m อมมันได้ไหมคะคุณมาซ่ e มมันด้ไคุณมาซ่อมมันได้ไหมคะคุณมาซ่อมมันได้หมองไมคมาซ่อมมันได้ไหม i ะคุณมาซ่อม e ันได้ไหมคะคุมานไ้หอมไ้ม่อมไม่มันันนไดห้องไม่มีระเบียงซมมค ห้องนี้เสียงดังเกินไปห้องนี้เล็กเกินไปห้องนี้มืดเกินไปห้ m m e t är ื ö r lite ห้องนี้มืดเกินไปห้องนี้เล็กเกินไปห้องที้มืดเกอนไปห้องนี้มืดเกินไ e เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานคลิมาอันเ g เจ e ิร์ก e โทรทัศน์ไม่ทำงานทีวีนั้อดดิฉันไม่ชอบเลยฉันมันแพงเกินไปดมันแพงเกินไป คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะหาดูนัวบิ l เลเ r e ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ f i n n ์ส์เดย t u n g d o m มซาร์เบรเกอในนารมีเบดแอนด์เบรดฟาสใกล้ที่นี่มีไหมคะ f i n n ์ส์เดย t p e n s ด o n a t i n เ r h e t e n มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ det en r e s t a u r a n ู i n ก r h e t e n